ตอนนี้อย่างน้อยตอนเย็นตอนหัวคำ่ำยามแรกแห่งราตรีเราได้ใช้เวลาในการทำสมาธิได้ใช้เวลาที่จะทำความสะอาดจิตใจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ถ้าเราใช้เวลาตรงนี้ไปในแบบอื่นไปในทางเสพการ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็ทําให้ใจเราไม่ได้ทําความสะอาดเลยเช้าก็ไม่ได้ทํากลางวันก็ไม่ได้ทําก่อนนอนแบบนี้ก็ยังไม่ได้ทํามันก็ค่อยๆหมักหมงหมักหมงไปนะแต่ถ้าเราได้มาใช้เวลาดูแลจิตใจก่อนที่จะเข้านอน น้อยๆของวันเนี่ยมีเวลาก่อนเข้านอนแบบนี้ได้มาทำความสะอาดจิตใจได้ทำความสงบให้กับจิตใจได้ให้อาหารดีๆกับจิตใจก็เป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งถ้าเราทำได้ทุกวันทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าวันนี้กิจวัตรประจาวันเป็นแบบนี้ พรุ่งนี้มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดตารางชีวิตให้มันดีเราก็จะมีชั่วโมงที่ใจเราอยู่กับธรรมะใจเราได้กินอาหารดีๆอยู่ตลอดในช่วงเวลาที่เราเซตเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้จัดตารางให้ดีไม่ได้ให้เวลากับธรรมะกิเลสมันก็ สอยาไปกินหมดใจเราก็จะเป็นที่กักเก็บอารมณ์หมักหมมอารมณ์เอาไว้ตลอดตลอดซึ่งอารมณ์ที่เป็นไปในทางการ ม, มันก็ไม่ได้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพที่ดีเลยทำให้ใจของเราหนักใจของเราเหนื่อยใจของเราอ่อนล้า ไม่ปลอดโปร่งไม่เบาสบายในทอนนองกลับกันการที่เรามาทำความสงบอยู่อย่างนี้มันก็ได้เป็นการระบายเป็นการที่เราได้ขนขยะออกไปจากจิตใจทมให้ใจของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นเบาสบายมากขึ้น โดยกันที่เรามาทำความสงบหรือมีสติอยู่กับลมหายใจจมเพาะหน้าหรือมีสติอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธที่จมเพาะหน้าแต่สำคัญก็คือเราอย่าให้ได้แค่ว่าเราได้ทำเราก็ต้องทำให้มันได้ดีมีคุณภาพด้วย แล้วอะไรที่จะบ่งบอกว่าเราทําได้อย่างดีมีคุณภาพอย่างแรกที่สุดก็คือสติของเราไม่ชาเชืยนเลื่อนหลงไปไหนไม่ซึ่งซึมลงไปในอย่างที่สองก็คือรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ขโมยหนีไปไหนความใส่ใจความตั้งใจเราก็อยู่กับตัวเรานี่แหละ อยู่กับลมหายใจอยู่กับคาบริกรรมทุกๆลมหายใจทุกๆคาบริกรรมใจของเราก็มีความตั้งใจมีความใส่ใจอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกเป็นเครื่องชี้เนี่ยว่าเราเนี่ยทำได้อย่างมีคุณภาพแต่ถ้าเราดูลมหายใจอยู่ นึกคำบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่แต่ใจของเราเนะี่ยความใส่ใจความตั้งใจมันมันไม่มีหรือมันโดนขโมยไปกับสัญญาอารมณ์เก่าๆของวันไปในเรื่องงานบ้างละ่ะไปในเรื่องคนนั้นเขาว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเรามันก็เป็นอารมณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจยังติดใจอยู่ มันยังแอบหนีไปหนีไปในเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เห็นลมหายใจหรือเห็นคำบริกรรมพุโทโธอยู่ก็ทำได้อย่างไม่ดีทำได้อย่างไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเราพยายามทำให้มันดีโดยการที่ มีความใส่ใจความตั้งใจอยู่อย่างต่อเนื่องความสงบมันเกิดขึ้นได้แน่นอนความเบาสบายเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่อีกอันหนึ่งที่มันจะคอยดึงใจเราออกไปนอกจากสัญญาอารมณ์ในระหว่างวันอีกอันก็คือความอยากของเรานี่ที่มันจะคอย มาเจาะหรือมาคอยดึงใจของเราออกไปดึงกระแสใจของเราออกไปยิ่งตอนที่เรามีความสงบน้อยหรือมีเรื่องวุ่นวายในใจมากมายมากๆ ม, มันก็ทำให้ความอยากเนี่ยมันคอยกระตุ้นคอยดึงใจเราออกไป ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยแน่นอนแหละเราก็จะพลาดทาเสียทีเพราะว่าตัวนี้นี่มันมาแบบเนียนๆตัวนี้นี่มันเป็นดาบสองอะนะนอกจากจะเห็นว่าความคิดมันฟุ้งซ่านแล้วนอกจากจะเห็นว่าเออใจมันไหลไปทางเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไอ้ความอยากก็จะเป็นตัวดาบสองเนี่ยที่มันคอยดึงใจเราออกไปอีก อยากจะให้สงบอยากที่จะไม่วุ่นวายเหล่านี้ความอยากมันก็เป็นตัวเบื้องหลังอีกชั้นหนึ่งที่เราก็ต้องคอยระแวดระวังคอยระวังให้ดีแล้วการที่เราทำความสงบอยู่มีความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นบ้างมีความสบายเกิดขึ้นบ้าง โมหะคือความหลงนี่แหละหลงเพลินออกไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันจะทำให้สติของเราเนี่ยมันไม่แจ่มชัดใจของเรามันก็ไม่ได้อยู่กับการงานในการที่เราจะมีสติอยู่กับพุทโธมีสติอยู่กับลมหายใจ ถ้ากำลังสติเราดีเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจได้อย่างดีแล้วเนี่ยอันหนึ่งก็คือเราต้องใส่ซอฟต์แวร์ลงไปในใจเราด้วยภาษาบาลีเขาก็นิยมใช้คำว่าโยนิโสมณสิการคือการกระทำไว้ในใจโดยแยกขายการกระทำไว้ในใจมันก็ บ่งบอกอยู่แล้วก็วคือใส่มันลงไปใน ใ, นใจใส่อะไรใส่ซอฟต์แวร์คําว่าไม่เที่ยงลงไปบ้างใส่ซอฟต์แวร์ในการที่เราจะเห็นมันเป็นอสุภะบ้างใส่ซอฟต์แวร์ในการที่เราจะเห็นว่าเออนี่มันก็เป็นกระดูกนะอันนี้ผมคนเล็บฟันหนังนะ มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาหรือแม้แต่ว่าอันนี้มันใช่เราหรือเปล่ามันมีตัวมีตนจริงหรือเปล่าอย่างทิ้แท้เราก็ต้องคอยพยายามใส่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ลงไปกำกับด้วยเพื่อที่จะทำให้ไม่ใช่หยุดอยู่แค่ความสงบ แต่มันจะไปจบอยู่ตรงที่เราพยายามให้ใจเราเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยแล้วเวลาคนที่มันทุกเนี่ยมันทุกเพราะอะไรมันทุกเพราะมันไม่เข้าใจตามความเป็นจริงมันทุกเพราะมันค้านกับความเป็นจริงความเป็นจริงมันก็บอกว่า มันไม่มีเราไม่มีเขามันไม่มีของเราอย่างทิงแท้หรอกแต่ใจมันก็พยายามจะบอกว่าไ อ, อ้นี่เรานะไอะ้นี่ของเรานะเพราะนั้นเราก็ต้องคอยพยายามเอาความจริงเนี่ยใส่ลงไปสอนมันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราจะเอาความเป็นจริงใส่อยู่ตลอดเวลา ได้ไหมมันก็ทำยากทำยากเพราะอะไรเพราะการที่เราจะเอาความจริงใส่ลงไปแต่ความสงบในใจของเรามันไม่มีเป็นจิตใจที่ยังฟุ้งซ่านกลลกลวไปด้วยอารมณ์ต่างๆไอความคิดนึกหรือซอฟแวร์ที่เราพยายามจะใส่ลงไปเนี่ยมันก็เป็นแค่สัญญามันยังไม่ใช่ปัญญา เัราะนั้นเราจะเปลี่ยนสัญญาให้มันเป็นปัญญาคือความรู้ภายในใจความรู้เกิดขึ้นที่ใจความสงบหรือสมาธิอันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้สัญญากลายเป็นปัญญาแต่แน่นอนการที่ไม่คิดไม่เนิกไม่พิจารณาเนี่ย มันก็ทำได้แค่เกิดความสงบอย่างเดียวนะถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจดจ่ออยู่ที่คาบริกรรมแต่สมาธิเป็นอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ได้ทําให้เราไปถึงสุดปลายทางได้แต่แน่นอนแหละแค่ความสุขทันเกิดแต่สมาธิมันก็ดีมากๆแล้วล่ะ ก็พอเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเราเนี่ยมันพอไปได้แต่เราจะมาจบอยู่ตรงแค่สมาธิไม่ได้เราจะต้องพยายามใส่ซอฟต์แวร์เพื่อสอนใจเราด้วยในโลกปัจจุบันในสังคมปัจจุบันเขาก็พยายามจะให้เราคิดนั่นแหละคิดแก้ปัญหา ต, ตรองตึกตรองอยู่เราก็จะเห็นว่าความรู้ความเข้าใจที่ได้มาจากการคิดแบบโลกโลกนะมันยังไม่มีผลกับจิตใจมากเท่าไหร่มันก็เป็นความเข้าใจในชั้นของสัญญาถ้าพูดโลกโลกหน่อยก็เป็นความเข้าใจในชั้นตรา ก, กะนี่แหละตรกกะความเป็นจริงว่ามัน ถูกต้องดูว่ามันน่าจะใช่ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะน่าค้านแต่ความเข้าใจในชั้นตากายอย่างนี้ยังไม่ไม่มีผลมากกับจิตใจแต่ถ้าเราได้ใส่ความสงบลงไปด้วยให้ใจของเรามันมีความสงบเป็นกลางอยู่ด้วย แล้วเอาใจน้อมไปตามความคิดที่เรากำลังพิจารณาอยู่อันนี้มันจึงจะใส่ลงไปในใจได้มันจึงจะมีผลกับจิตใจได้ได้ดีนะมันจะบอกทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะคิดอย่างเดียวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องไปให้มันคู่กันสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันก็ต้องไปคู่คู่กันจะบอกว่าทำสมถะอย่างเดียวไม่ทําวิปัสสนาเลยก็ไม่ได้เราบอกว่าจะทำวิปัสสนาให้มันเห็นแจ้งแต่ไม่ทําสมถะเลยมันก็กลายเป็นวิปัสสนึกไป เพน้นสมาธิก็ดีพิปัสนานก็ดีเนี่ยมันเกื้อนหนุนกันอย่างแต่ว่าถ้าเราคิดแล้วความสงบมันน้อยลงไปน้อยลงไปเราก็พักก่อนกลับมาทำความสงบให้มันเกิดขึ้นในจิตใจก่อนพอความสงบเราดีแล้วใจเราชุ่มชื่นแช่มชื่นอันเกิดแต่ความสุขแต่สมาธิ เกขึ้นแล้วเรา ก, นนกาน็น้อมใจที่มันมีกำลังแบบนี้น้อมใจที่มันมีกำลังแบบนี้น้อมไปตามการพิจารณาให้มันรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแต่การที่เราเจะพิจารณาเนี่ยก็ไม่ใช่ส่งตัวเราเข้าไปพิจารณานะเราก็เป็นผู้ดูการพิจารณา เราเป็นผู้ดูอ่ะเราไม่ได้เป็นผู้เล่นเพราะนั้นจะพิจารณาก็คือใจของเราก็ถอยออกมาสักนิดหนึง่งไม่ส่งเข้าไปมันก็เหมือนกับการที่เราเห็นลมหายใจแล้วเราก็ส่งใจเข้าไปกับลมหายใจหรือเรากาลังบงริการพุทโธอยู่แล้วก็ส่งใจเข้าไปในพุทโธอันนี้ไม่ไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นลมหายใจอยู่ แล้วเราก็ถอยตัวเราออกมาเป็นผู้ดูไม่ส่งใจของเราเป็นผู้เล่นเข้าไปในลมหายใจพุโทโธก็ตามเราก็ถอยใจเราออกมาดูพุโทโธไม่ส่งใจเราวิ่งเข้าไปเป็นผู้เล่นกับพุโทโธพอเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยการพิจารณาก็เหมือนกัน เราก็พิจารณาก็คือใส่ซอฟต์แวร์ลงไปในใจแหละแต่ตัวเราอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ตรงอารมณ์ก้อนอารมณ์ในใจไม่ใช่เราก็ถอยตัวของเราเนี่ยขึ้นมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าแล้วก็ดูไปดูไปว่าใจของเราเนี่ยใส่ซอฟต์แวร์ไปแล้วมันเป็นยังไงหลังจากที่มันเห็นว่าอ๋อคนนั้นเป็นอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างนั้น คนนี้สวยคนนั้นหลอ่อแล้วพอเราใส่ซอฟต์แวร์ลงไปแล้วเออจริงๆแล้วมันก็ข้างในเนี่ยใต้ผิวหนังอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความสวยงามไม่ได้มีความดีงามมันก็เป็นแต่ของสสขปรกเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครพอเราใส่ลงไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์ในใจเราก็เปลี่ยนไปความกำหนัดราคา มันก็ถอยลงไปแต่เราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงสติจนพ่อหน้าเป็นผู้ดูน่เลยผู้ดูการเปลี่ยนแปลงในใจของเราเป็นผู้ดูเนี่ยเหมือนเราอยู่บนเชิงเทนะินเราดูเ้าสู้รบกันเขาสู้รบกันอยู่ข้างล่างเราอยู่บนเชิงเทินเราก็คอยดูเ้าสู้กันไป เขาจะแพ้เขาจะชนะมันก็เป็นส่วนข้างล่างไปเราก็อยู่บนเชิงเทินคอยดูไปแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันแพ้อย่างเดียวนะไม่ใช่นะเราพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ด้วยให้เห็นว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างราคามาแล้วเนี่ยเราพิจารณาดีแล้วราคามันลดลงไป ก็เป็นการเฝ้าระวังเป็นการบริหารเป็นการดูแลจิตใจไม่ให้รักค้ามันครอบงําจิตใจและการที่รักค้ามันครอบงําจิตใจเราได้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นสิ่งของสวยงามแต่พอเราพิจารณาเราใส่ซอฟต์แวร์ตามความเป็นจริงลงไป เห็นว่ามันเป็นอะไรเห็นว่ามันเป็นของสกรปรกโสโครกเห็นว่ามันเป็นก้อนเนื้อก้อนตับไตไส้พุงอะไรอย่างนี้ไปราคามันก็เบาบางลงไปเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจว่าราคาเกิดขึ้นราคะน้อยลงราคะดับไป แต่เหตุของการเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมาจากความหลงความเข้าใจผิดในแบบเก่าแต่ที่มันลดลงดับไปก็มาจากการที่เรามีสติรู้รู้แล้วก็รู้ตามความเป็นจริงใส่เข้าไปอีกด้วยราคามันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงมันก็ลดน้อยถอยลงไป ทับลงไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกพอเกิดขึ้นมาอีกอเราก็พิจารณาอีกพิจาอีกมันก็ยุบยอบลงไปอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติของจิตของใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นเนี่ยว่า ถ้าเราเอาตัวของเราเนี่ยไปจมอยู่กับไอสนามรบอันนั้นเนี่ยยึดว่ามันเป็นเราอยู่มันดีเราก็ดีไปด้วยมันแย่เราก็แย่ไปกับมันแต่ถ้าเราถอนเอาความรู้สึกของเรายกขึ้นมาไว้ที่สติเฉพาะหน้ามันจะคนละเรื่องแล้วนะ เราก็แค่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปแม้แต่การ พ, พิจารณาของเราก็ตามมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแต่มันไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นเปรียบเทียบกับตอนที่เราส่งใจวิ่งเข้าไปหามัน อันนั้นมันเป็นตัวเราอยู่ในนั้นเลยก็เหมือนนักมวยอ่ะเป็นผู้เล่นผู้ต่อยเข้าไปจริงๆเนี่ยโดนต่อยก็เจ็บจริงหลบหมัดได้ก็ไม่เจ็บแต่พอเราอยู่ข้างสนามเป็นพี่เลี้ยงมันก็เห็นเขาต่อยน่ะแหละ เป็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายมันก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดามันไม่ควรค่ากับการที่เราจะสงใจวิ่งเข้าไปยึดไปถือไปยึดว่านี่เป็นเรา นี่เป็นของเราอันนี้เป็นตัวเราเป็นผู้เล่นกับเป็นผู้ดูเราก็จะได้เข้าใจว่าเป็นผู้ดูมันดีกว่าเยอะถ้าเราจะควบคุมตรงนี้ไม่ให้มันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นไปไม่ได้มันก็จะค้านกับความเป็นจริงว่า สเปสังข่าราอนิจจติสบเบธรมาอนัตตาติใช่ังขาญทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอ่ะังขานทั้งมาทั้งหลายมันก็เป็นอนัตตาใช่ไหมถ้าเราบอกว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นแสดงว่าเราก็พยายามจะข้านความเป็นจริงพยายามจะไม่ให้มันมีพยายามจะไม่ให้มันเกิดขึ้น เราบังคับไม่ได้ใช่มสังขารความปรุงแต่งมันบังคับไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราต้องทำยังไงแล้วก็เข้าใจมันไงเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่คนทั่วไปก็เห็นนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแต่เห็นแบบไหน เห็นแบบที่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นมีความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์สิแต่ถ้าเราดึงความเป็นเราดึงความเป็นเขาออกมามาไว้ตรงไหนมาไว้ที่สติเฉพาะหน้านี่มันก็สบายแหละเพราะว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันไม่เข้าถึงถึงเราอะเพราะเราถอนตัวเราออกมาแล้ว เราถอนตัวเราออกมาไว้ที่สติเฉพาะหน้านี่แลหน้าตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ในใจอันหนึ่งแต่พอเราถอนความเป็นเราออกมาไว้ตรงนี้ที่สติเฉพาะหน้านี่อารมณ์มันมันไม่ครอบความเป็นเราได้แล้วมันไม่ครอบความเป็นเราได้แบบเก่าอีก มันจึงเป็นที่ที่เราจะไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายไม่ดีมันก็จะไม่ครอบงมใจของเราเราจะเป็นผู้ที่ไปถึงจุดตรงที่ว่าปุญญาปะปะปะฮีนะก็แปลว่าเป็นผู้ที่ มีบุญและบาปอันตนละได้แล้วดีก็ไม่ติดไม่ดีก็ไม่ติดไม่ติดก็คือมันอยู่คนละที่นะถ้ามันอยู่ที่เดียวกันมันติดแน่นอนแต่พอมันอยู่คนละที่มันก็ไม่ติดที่สติเฉพาะหน้า ความเป็นเราอยู่ที่สติเฉพาะหน้ามันเป็นที่ที่อารมณ์มันไม่ท่วมทับความเป็นเราได้อีกต่อไปเะฉนั้นเราก็ต้องพยายามดึงตัวเราเนี่ยดึงความเป็นเราเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้บ่อยๆย้อนกลับมันมาอยู่ตรงนี้ให้ได้บ่อยๆถ้าเราเปรียบเทียบแบบเก่า การที่เราเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์ของกิเลสก็ดีหรือจมอยู่ในอารมณ์ของการพิจารณาก็ดีเราก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็หนักมันก็เป็นก้อนอารมณ์เป็นเราอยู่ตรงนั้นถึงมันจะเป็นฝ่ายดีแต่มันก็ยังไม่ว่างไลมันแค่ดีแต่มันไม่ว่าง แต่พอเราดึงออกมาดึงใจเราออกมาถอนใจเราออกมามาไว้ที่สติเฉพาะหน้าได้ไอ้คาว่าว่างมันจึงชัดเจนว่างเลยว่างจากอารมณ์ไงว่างจากอารมณ์ว่างจากอารมณ์ที่มันยึดติดว่าเป็นเราของเรามันว่างไปเพราะมันวางตรงนั้นออกไปหรือพูดในทํามนองก็คือ เราได้ถอนถอนออกไปถอนอารมณ์มันออกไปมันจึงว่างได้เพราะฉะนั้นว่างกับอารมณ์ดีมันก็คนละแบบถึงมันดีแต่เราแบกดีมากๆมันก็หนักเหมือนกันแต่พอเราถอนออกละถอนออกไปหรือวางมันลงไป มันจึงว่างได้พอมันว่างเนี่ยมันเบาสบายเบาสบายกว่าพอมันว่างเนี่ยมันจึงเข้าถึงคำ ว, ว่าผ่องใสอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่มันประณีตละเอียดกว่าแต่ถ้ามันแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสในแบบที่มีตัวเราอยู่ อันนั้นมันก็ก็ดีอะแต่มันยังมันยังไม่ไม่เบาไม่เบาแบบสุดขีดอะถ้าเราถอนออกมาได้อันนี้มันว่างมันสว่างกระจ่างจริงๆแล้วก็ว่างแบบสุดขีดด้วยแต่พื้นฐานก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่เราพยายามมีสติ ย้อนกลับมาที่ลมหายใจย้อนกลับมาที่คำบริกรรมที่อยู่เฉพาะหน้าของเราแล้วก็ในระหว่างวันในสนามรบจริงเราก็พยายามรักษาใจเราดึงกลับมาไว้ตรงนี้ให้ได้บ่อยๆมีสติคอยที่จะเห็นกายเคลื่อนไหวอันหนึ่งความคิดที่มันกำลังคิดนวนนี่นั่นอันหนึ่ง อารมณ์ในใจของเราก็อีกอันหนึ่งแล้วตัวเราอยู่ไหนตัวเราก็อยู่ที่สติไงสติเฉพาะหน้าเพราะพื้นฐานในระหว่างวันเนี่ยเราก็สู้กันอย่างนี้แหละเมื่อเรามีสติย้อนกลับมาที่เฉพาะหน้าได้ดีเราก็ค่อยใส่ซอฟต์แวร์ลงไปในระหว่างวันบ้างไม่ว่าจะเป็นอสุภะบ้าง ไม่ว่าจะเป็นความไม่เที่ยงบ้างไม่ว่าจะเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมบ้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นพื้นฐานสาคัญสำคัญที่สุดก็คือสตินี่เลยพอเรามีสติที่เราจะคอยสังเกตกายสังเกตใจเราก็จะค่อยๆละเอียด ในการสังเกตของเรามากขึ้นพอเราคอยสังเกตใจเราได้บ่อยๆละเอียดละออมากขึ้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นนั่นแหละว่าอารมณ์ในใจของเรามันเป็นยังไงและอีกความรู้สึกที่เรียกว่าตัวเราความเป็นเรามันเป็นยังไงนอกจากที่เรียกว่าอันนี้คือความรู้สึกขัดเคืองความรู้สึกยินดีความรู้สึกพอใจหรือ ราคากำนัดยินดีไอ้พวกนี้มันเป็นชั้นนอกที่เราจะเห็นได้ง่ายแต่คอยสังเกตใจละเอียดละอลงไปเรื่อยเราก็จะเห็นความอยากกว่อนความอยากที่มันคอยกระตุ้นใจของเราเราคอยเห็นความอยากได้ละเอียดละ อ, อีแล้วเนี่ยเราก็จะ มีความละเอียดละออในการสังเกตจิตใจของเราดีขึ้นแหละเราก็จะเห็นกิเลส ต, ตัวเล็กๆน้อยๆได้ดีขึ้นแหละแล้วเราก็จะแยกแยะไออารมณ์ละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ดีขึ้นว่ามันเรียกว่าอะไรกันแน่อารมณ์แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่ายึดว่าถืออารมณ์อันนี้แหละ ที่เขาเรียกว่ารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่ามีตัวตนของเราอยู่ในนั้นมันก็ต้องค่อยๆให้มันละเอียดละออไปเรื่อยๆนั่นแหละต่การที่เราจะละเอียดละออเนี่ยมันก็ต้องบนพื้นฐานของการที่เราสังเกตมันให้ได้บ่อยๆสังเกตบ่อยๆนั่นแหละ ยิ่งถ้าเราสังเกตได้บ่อยสังเกตได้อย่างต่อนเนื่องความรู้ความเข้าใจความชำนาญมันก็ดีขึ้นการปฏิบัติธรรมมันเป็นทักษะที่ได้จากการทำอ่ะที่ได้จากการลงมือทำมันไม่ใช่ทักษะจากการที่เราฟังแล้วแล้วเราก็เหมือนคณิตฐ์อะ่ะพอเรารู้สูตรเราทำตามสูตร มันก็พอไปได้แหละกต่ทักษะของการปฏิบัติธรรมมันคือทักษะเหมือนภาษาที่เราต้องใช้บ่อยๆจนเกิดความชนานาญเรารู้เราเข้าใจทางสัญญาทางตรร ก, กะแล้วเนี่ยยังไม่พอยังต้องได้ความรู้ความเข้าใจและความชนานาญที่ได้จากการลงมือทาปฏิบัติจริงด้วย ก็อยู่พื้นฐานแบบนี้แหละตรงสติเนี่แหละสติเป็นพื้นฐานสติที่คอยเห็นกายเห็นใจอยู่เรื่อยสติที่อยู่เฉพาะหน้าเอาความเป็นเราอยู่ตรงนี้คอยเห็นกายมันเป็นส่วนหนึ่งเห็นก้อนอารมณ์ในใจอันหนึ่งเห็นความคิดอันหนึ่งและส่วนมากมันสู้อะไรสู้กับความเผลอนี่แหละ เผลอที่มันจะคอยหลงไปคิดนั่นคิดนี่พอหลงไปคิดคิดแล้วเราก็จะจมลงไปในความคิดไปอยู่ในโลกของความคิดแต่พอเราดึงสติกลับมาไว้ที่ลมหายใจที่พุโทโธที่อยู่จนพอหน้าเนี่ยมันก็ได้เหมือนถอนตัวเราออกจากโลกของความคิด โลกของความคิดที่มันเต็มไปด้วยสัญญาอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยมันเราวิ่งเข้าไปบนเวทีไปต่อยอ่ะต่อยเองพอเรามีสติเฉพาะหน้าสัมมาสติเกิดขึ้นได้ถอนตัวเราออกจากสัญญาอารมณ์ในความคิดอันนั้นกลับมาอยู่ที่ลมหายใจกลับมาอยู่ที่คมบริกรรมเราก็จะเห็นแหละว่า เ อ, อ่อความคิดนะอันหนึ่งเมื่อกี้เราเผลอเข้าไปในความคิดตอนนี้ความคิดเป็นส่วนส่วนนอกแล้วที่เราเห็นมันอยู่แล้วเราก็เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งไปด้วยแต่ถ้าเราหลงเข้าไปในความคิดแล้วเนี่ยกายเราก็ไม่เห็นอารมณ์ในใจมันก็รวมเป็นก้อนเดียวไปเลย ก็ต้องมีสติดึงตัวออกมาก่อนดึงออกมาให้ตั้งตรงนี้ตั้งในจุดที่เราจะสู้กับมันได้เต็มที่คือจุดที่เราพยายามเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งแล้วก็ถอนตัวเราออกจากความคิดมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าอันนี้